أ ั و ล بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلّ و س ل م على ن م ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم รับอิสรห์ลีสัตว์รี ر ยสิร ر อัม م ีวะผ م ن ل ก ا ดตมิลส ا นย ي ่งข้อวุ่น ن ا ั ا ละม م นฟัง ع ل م ิ ن ا ลัมต ن ا ا อัลลัมนาไม่ฟังนาอัล ا ัมน ن ا ัลลัมน و อั ل ลัมนาอ ن ا و ัมนา ن ัลลัมนาอัลลัมนาอ ن ลล ن มนาอัลลัมนาอัลลัมนาอัลลัมน الحمدulillah อันนี้สุราตุลแจซียะตอนที่สนะครับเริ่มต้นกับช่วงช่วงต้นเดือนมุฮัรรัม1445ฮิจรัชสักครั้งอัลฮัมดุล illah ัลลอฮฺมะอิล له وعلينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام นะครับเรื่องราวของปีหม่ฮิจร ก็เป็นเรื ai, ap, uh, Jamie, ih, Prophet, ah. ่องราวที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กาหนดเอาไว้นะครับให้เกิดขึ้นกับท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมฮิจรอห์อัลฮิจรออะไรนะฮิจรห์เนี่ยมันจะมีสองแบบก็คือฮิจรห์แบบกายภาพฮิจรห์จากสถานที่หนึ่ง ไปสู่สถานที่หนึ่งเหมือนที่ท่านน บ, บีฮิจรัชอพยพจากมักกะไปสู่มาดินนะแต่มันจะมีอีกอีกฮิจรัหนึง่งก็คือฮิจรัชในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของหัวใจฮิจระจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีฮิจรัจากการหลงลืมอัลลอฮ์สุบฮานาวาจาละไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ฮิจรหจากสภาพที่ ไม่พึงประสงค์สู่การปรับปรุงตัวเองนี่เป็นสิ่งที่จะคงมีอยู่จนถึงวันเกียมันนะครับแม้กระทั่งเฮจล็อกแบบแรกเองก็ยังมีอยู่ไม่ได้ถูกยกเลิกไปแต่อย่างใดถ้ามีเงื่อนไขที่คนคนหนึ่งจำเป็นจะต้องอพยพไปหาสถานที่ที่เขาสามารถจะรักษาหัวใจของเขา อิสลามศาสนาที่อยู่ในใจของเขาให้รู้อยู่รอดปลอดภัยก็จําเป็นจะต้องให้จริงนะครับแต่ที่สําคัญสําหรับเราก็คือณเวลานี้ณตอนนี้ก็คืออิจระห์ทางหัวใจอัลมุฮะจิรุมันฮะจาระอัลลอฮุสซาลลัมนฮะดิษขอทนนบีที่บอกว่ามุฮะจิรที่แท้จริงก็คือคนที่อิจระห์ไปสู่อัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ تعالى เราอาจจะต้องมา คำหนึงหรือว่ามาหวนระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่ฮิจรักสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการได้รีเฟรชการอะรอะการคิดความคิดของเราวางแผนความคิดของเราวางแผนหัวใจของเราว่าเราจะเอาอยัางไงกับสภาพเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจําเป็นที่เราจะต้อง ปรับตัวเองอย่างไรปรับหัวใจของเราอย่างไรพิรณาที่กําลังจะเข้ามาในอีกหลายๆช่วงเวลานะครับในอุเบลลาฮิบนดลิกยิ่งใกล้วันเกียมรติพิรณาต่างๆก็จะยิ่งเยอะนะครับเวลาที่ฟิรณาพมาเนยมีอุลามะบังคนบอกว่าัลฟิตเนตู إذا أقبلت يعلمها كل ع ا ل เวลาฟิตเนสมาเนี่ยคนที่รู้ก็คือคนที่มีความรู้คนที่เข้าคนที่รู้ตัวว่ามันเป็นฟิตเนสมันเป็นบททดสอบก็คือคนที่มีความรู้คนอาเลมที่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าฟิตเนสมาหาเขาแล้วหรือไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นฟิตเนสเป็นบททดสอบเขาจะรู้ตัวไหนว وإذا أدبرة ย่าลืมว่าคุลุจ ا ه ลคนจ ا ه ลเนี่ยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อฟิตนัคนั้นจบไปแล้วเข้าใจไหมครับคำพูดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถจะแยกแยะแล้วก็เข้าใจในการที่จะกำหนดบทบาทของตัวเองในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตก็คือความรู้ไม่ว่าปีไหน อัลฮัมดุลิลลาห์เราผ่านมากี่ปีแล้วกับการเรียนการสอนณนมะัสยิดแห่งนี้ชุกโกรธต่อรักษาลามากๆนะครับยังมีพละกําลังยังมีความคิดยังมีพลังใจพลังสมองที่จะมานั่งทบทวนมานั่งอ่านอะลกุรอานะอากันอยู่นยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังอยู่ในยูทุสที่ประมาณ เ, าเหลืออีกเยอะมากนะครับแต่ก็โอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยังคงมีกําลังใจที่จะมา นั่งทบทวนแล้วก็มาศึกษาหาความรู้จากคำพีของลระสุภาณาวะารอยู่ความรู้ไม่ว่าจะมีกี่ปีที่มาถึงอีกกี่ปีอีกกี่ครั้งจะวนเข้ามาในชีวิตของเราปีใหม่ปีเก่ามาแต่การเรียนรู้ของเราก็ยังคงมีอยู่ต่อเ น, นื่องจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั่นเองนะครับอันนี้เ ล, เล็กๆน้อยๆนะครับในการ เป็นการตักเตือนข้อเตือนใจในช่วงของการเริ่มต้นีใหม่พิจลักษณ์สกฤต1445นี้นะครับอ่ะทีนี้วันนี้เราจะอ่านอายัดที่12 13 14 15สัก4อายัดอ็นะครับซุลจาติยะอายัที่12 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> الله الذي سخر لكم البحر ל ت َ ج الف ت ت ر الفلك فيه بأمره ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون َسَخَّرَ لَكُمْ و และสั่งَ ا รَِุในสวِรค์และِ ي โลกทั้งปวง إن في ذلك ل َ آيات لقوم يتفكرون <ت ص في ق> “คนที่เชื่อจะได้รับการอภัยใ ل ้คน م ี و ไม่เชื่ ل ي ج ز ي قوما بما كانوا يكسبون بنعم لا صالح فلنفس <ت ص في ق> ومن َ أساء َ فعليها َََ ثم ُ إلى ربكم َِ ترجعون َُ الحمد لله นะครับอายที่สิบสามจบส و ر ุ ا ل ج ا ث ย ة หลังจากที่เมื่อสัตดาห์ที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงการลงโทษแต่ละแต่ละรายการนะครับอาดับุณอาลีอาดับุณมูฮีนอาดับุณ عظيم นะครับ สำหรับคนที่ไม่ประสีประษาหรือว่าไม่เอาไม่เอาใจใส่ต่อสัญญาณความยิ่งใหญ่ของ Allah Subhanahu w t a l l a h t a a ให้มนุษย์ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เป็นประจักษ์พยานถึงความสัจจริงของศาสนาที่ Allah t a a ประทานลงมาให้กับท่นานนบี Muhammad صلى แต่ยังมีความดื้อรัน้นมีความดื้อด้านอยู่คนเหล่านั้นเหมาะสมกับการที่พระองค์จะให้พวกเขานั้นต้องเจอกับการลงโทษที่เจ็บปวดในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังคงกระตุ้นให้มนุษย์ทั้งหลายให้คนที่ฟังวิญญาฟังอายัดของพระองค์เนี่ยได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างต่อเนื่องนะครับเผื่อว่าจะเรียดร้อง เราเองเนี่ยอย่าว่าแต่คนที่เป็นคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยนะครับแม้กระทั่งเราเองอย่างที่บอกมุสลิมเองก็ต้องอาศัยอายัดเหล่านี้มาใช้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตอายัดเหล่านี้ลงมาเฉพาะบรรดาคนกาฟเฟตอย่างเดียวไหมไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอที่ต้องดูความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเองที่เป็นมุสลิมอยู่แล้ว ก็ต้องเขาเรียกว่ า, อ, าอะไรอ่ะนานๆครั้งก็ยังดีไม่ใช่อาจจะไม่ได้ดูบ่อยๆแต่ว่าดูให้มันให้มันมีมีการทวนการหวนกลับมาเระลึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นช่วงๆก็ยังดีเพราะว่าแม้กระทั่งมุสลิมเอง ระดับ إ ي มานของเราบางทีมันก็มีช่วงลดช่วงขึ้นช่วงอะไรก็ตามเวลาที่เรามีความรู้สึกว่า إ ي م านของเรามันไม่คงที่มันอยู่ระดับตา่าเมื่อเราหย้อนกลับมาดูสิ่งต่างๆที่อลัลลอลาเรียกร้องเร า, เราให้ดูเนืมัดของพระองค์ให้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อิมานของเรามันก็เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าวันนี้อลัลลอลฺจะพูดถึงอะไร Allahu الذي سخر لكم البحر Allah ค um ือซักขระซักขระหมายถึงทาให้ง่ายทาให้สะดวกสิ่งของของที่มันลาบากลาบากมาทาให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นซักขระระบกุมนบะ Allah จะละให้อะไรสะดวกแก่เราให้ทะเลหรือ แม่น้าการเดินทางทางน้ำอัลลอฮให้สะดวกกับเราซุมฮารัลลอฮอัลลอฮอัลลซัครลักุมุลสะดวกยังไงก็ดุสิลทลฟุลกฟีฮิบอัมริให้เรือสามารถลอยอยู่บนทะเลได้ลอยอย่างเดียวไม่พอเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่ง โดยอาศัยการคมนาคมทางเรือในสมัยก่อนสมัยก่อนมีแต่เรือกับบนบกนะครับซาฟีนะในสุรยาซีนอนนียสอนสุรยาซีนอยู่ด้วยที่มัส jid ซามก็รับแล้วบอกว่าอ้ออ้ออ้ออ้ออออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ มือยักระบุเวลาที่เรานึกถึงเรือเราจะนึกถึงเรือของใครฮะเรือนบีนู ح, กี่ปีแล้ว <c oughs> ไมรู้เหับ น, น, นับยอ้อนไปไม่รู้ตั้งกี่ปีสุภาน้า ล, ล่อตั้งแต่ยุคของนบีนู ح, จนถึงยุคนี้ยังมีมนุษย์ยังคงใช้เรืออยู่ไหมเพราะตาลราบอกพระองค์สร้างให้เหมือนกับเรือของนบีนูเนี่ยให้มนุษย์ได้ขี่แล้วก็ได้ทุกสิ่งของ คนอาหรับเนี่ยอันนี้เรือก็คือพาหนะทางน้ําแล้วพาหนะทางบกอะ่ะรู้หรือเปล่าครับว่าคนอาหรับในเวลาเขาเดินทางเขาใช้อะไรสมัยก่อนทางบกใช้อูดอูดสําหรับคนอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าเซฟีนัทุลบารีเรือบนบกสําหรับคนอาหรับอูดคือเรือบนบก เวลาที่มันเดินทางเนี่ยมันไปทีล้มันไปฝูงหนึ่งไม่ใช่ตัวสองตัวคาราวานเป็นคาราวานไปเลยอะ่ะเออมันก็ออกลักษณะคล้ายๆกับเรือนะภาพข้างนอกนะเป็นอะไรที่มหาศจา์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือทางน้ําพาหนะทางน้ําพาหนะทางบกหรือสมัยของเราพาหนะทางอากาศแม้กระทั่งเครื่องบินแรกๆเขาเรียกว่าอะไรเขเรียกว่าเรือไหม เรือบิ น, บนแล้วเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินแสดงว่าต้นแบบของพาหนะที่ใช้ขนคนขนของเยอะๆก็คือเรือซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากถ้าเราจะพิจารณาแต่ละอย่างนะเอ า, เอา เ, อาเอาเรื่องการขนส่งทางน้ำก่อนการขนส่งทางน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรือนี่มัมนลอยอยู่บนน้ำได้ยอย่างไร เรามันมีมันมีมนมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อะไรที่ว่ารองรับการทําให้ของมันลอยบนน้ําได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไระทฤษฎีอะไรกำลังเรือไหมมีเป็นทหารทางเรือทางอากาศทางเรือ <c oughs> เรือลอยได้ยังไงอะนั่นแหละน้ํามันมีแรงอะไรอยู่ถ้าสมมุติแรงนั้นไม่มีเรือมันจะลอยได้ไหม ถามคํถาถามก็คือว่าใครเป็นผู้สร้างแรงนั้นขึ้นมาไอแรงไอแรงที่สามารถทําให้เรือมันลอยได้ใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ทมมํำเองได้ไหมอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแล้วถามว่าแรงนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยไหนมันมีเฉพาะปีของเราทศวรรษ น, นี้หรือว่ามันมีมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยอดีตมาก่อนนะมันมีมาตั้งแต่วันแรกที่เราสร้างกองฟ้าและแผ่นดินนี้มาแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือซขอัขหรออละตะลาเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้น้ํามันมีแรงถ้าผมจะไม่บิดเราเรียกว่าแรงตึงแรงตึงผิวทําให้วัตถุสามารถลอยน้ําได้นะ่ะมนุษย์เนี่ยลอยไม่ได้ถ้ามนุษย์ลอยได้นี่ไม่ต้องใช้เรือแล้วมันเดินไปเองแต่มนุษย์มันลอยไม่ได้เออทำไมมนุษย์มนุษย์มันลอยไม่ได้แต่อย่างอื่นมันลอยได้คอนไม้ยังลอยได้เหล็กก็ลอยนะเหล็ก เหล็กที่จะนั่นแหละแปลกมากนะเรือแต่ละลําแต่ล ะ, ละโอ้โหใหญ่โตมาหาานเรือของนบีนุ่งนี่ก็ใหญ่แล้วไม่รู้เท่าไหร่ทุกสัตว์ทุกประเภทในยุคนั้นเราทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่อยู่ในเรือของนบีนุ่งทั้งหมดเลยเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่ลูกหลานของบรรพุรุษที่อยู่บนเรือของท่านนาบีนุ่งเราเป็นลูกหลานใครอ่ะก็ตายหมดแล้ว วันนั้นตายวันแล้วเหลือแต่คนที่อยู่บนบนเรือของนบีนุ่งเท่านั้นสุ ح า ن อัลลอฮ์นี่ต้องคิดแล้วมันก็น่าแปลกจริงๆนะว่างๆลองไปดูเรือที่แถวนะแถวเอามาขาบข้าเรือแต่ละแต่ละลำเนี่ยกีชนะ่ชั้นอะเหมือนโรงแรมลอยน้ำได้เลยเป็นภูเขาเลยในอัลกุรอานเองอัลกุรอานก็เรียกว่าเรือพวกนี้เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับภูเขา นีอยู่ในสุราหาอะไรที่เราเรียนหรือเปล่าที่บอกว่าอาัลจาวารี ari, ก็คือพวกเรือต่างๆนี่มันดูรูปร่างใหญ่โตเหมือนกับภูเขาเลยทั้งหมดนี้มาจากการซ ah ักคาราคุนอัลลอ์เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วเรือบินบ้างเครื่องบินใช้แรงอะไรในการยกเครื่องบินขึ้น เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราบางทีก็ยังงงอยู่ว่ามันขึ้นได้ยังไงมันขึ้นได้ยังไงอะไรหนึ่งมันขึ้นไปแล้วถ้ามันไม่มีแรงนั้นเนี่ยเครื่องบินมันจะขึ้นได้ไหม سبحان อัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งปวงนะั้นเป็นการซ um ักคาระละกุมแล้วก็ตาลาบอกเองซักคาระละกุมุลบาฮัสมัยนั้นคนยังไม่เคยเห็นเครื่องบินนะครับตอนนี้มีเครื่องบินแล้วก็เอาไปกลี้ยงกับเรือได้ว่า เป็นการอำนวยเป็นการทำให้สะดวกสบายที่อัลลอ์สุบฮานาอัตตะลาให้กับมนุษย์ลีตเจริยาลฟุลกุฟีฮีบิอัเพื่อที่จะให้เรืออาณาเนี่ยมันแล่นไปด้วยคาสั่งของพระองค์ด้วยการดูแลของพระองค์อัล ل อฮ์อัลลอนอกจากนี้ว ل นทับตะหล ประโยชน์ของทะเลอีกประการหนึ่งนอกจากจะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถหาได้จากทะเลก็คือลิตร์เจ้าวิมฟลิฮีเพื่อที่เราจะได้แสวงหาความโปรดปรานความการุณาปราณีของลอจากทะเลอะไรอ่ะก็หาริสกีจากทะเลไง ไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารทุกวันนี้ที่เรากินส่วนใหญ่ก็นะจากทะเลมีปลาอีกชนิดในทะเล Allah, อลอวะ่ะกินไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวมีนักวิชาการบางคนบอกว่าสัตว์ที่อยู่ในทะเลมีเยอะกว่าที่อยู่บนบกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ลองจินตนาการดู กวันนี้ก็ยังไม่หมดแม้ว่าจะมีคำพูดที่บอกว่าเออมีเกิดภาวะโลกร้อนนู่นนี่นะั่นแต่ก็ยังมีอีกเยอะแย ะ, ย ะ, ะนี่คือริทัเทมินฟัตลอาหารและอะไรอีกเครื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเครื่องประดับที่มาจากทะเลมุกไข่มุ ก, ม, กมาจากไหนไข่มุก มาจากทะเลอะไรเองที่มาจากทะเลที่เป็นเครื่องประดับแล้วก็สารเคมีต่างๆน้ํามันมาจากไหนแก๊สมาจากไหนนี่คืออะไรนี่คือฟอสฟิลนี่คือมินฟอสฟิลและอะไรจากความโปรดปรานของพระองค์ถ้าไม่มีน้ํามันเราจะได้ใช้ไหมในการขี่รถไปนู่นไปนี่ เด็กก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็จะใช้อะไรใช้ไฟฟ้าแลวไฟฟ้ามาจากไหนก็ถามไปเรื่อยไอ้บ้ามาจากไหนสุดท้ายมันก็กลับไปที่นะต้นกำเนิดของมันอยู่ดีอัลลอฮฺอัลลอีษัคาระละกุมอัลลอเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เราไม่เคยคิดเลยนะเราใช้ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่เคยหวนคิดกลับไปทีละก้าวทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วกลับไปที่อัลลอฮ์เลยอิลฮอิลลัลละแล้วมันจะเกิดการชุกโกรได้ยังไงเมื่อเราไม่คิดการขอบคุณมันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นอายัดนี้จึงจบท้ายว่าวะลัลกุมทัชบูรุนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องการตรงนี้ต้องการให้เราขอบคุณพี่น้องครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าอายั ไม่ได้พูดถึงบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาอย่างเดียวแม้กระทั่งผู้ศรัทธาเองก็อยู่ในอายันี้เราขอบคุณอรรถตาลาเป็นหน้าที่ของเรานไม่เป็นหน้าที่โดยโดยโดยไม่ต้องบังคับอะ่ะเป็นหน้าที่ที่ไม่จาเป็นต้องบังคับเลยอย่ารู้สึกว่าถูกบังคับในการที่เราจะขอบคุณอรรถตาลาเลยอยรู้สึกว่าเราบกพร่องในการขอบคุณเนี่ยยังถูกต้องกว่า บางคนโบอบอกว่าขอบคุณอัลลอฮฺอัลลอฮ์หน่อยโอ้ยมาสั่งชันทาไมมาบังคับชั้นทำไ ม, ม, าาำไมอย่ารู้สึกว่าโดนบังคับเลยครับอัลลอฮฺ man. รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องให้กับพระองค์นที่เราให้อยู่นี้เราก็ยังไม่เหมาะกับที่พระองค์ให้กับเราเลยยังยังยังไม่เหมาะหมายถึงว่า ไม่ไม่สมนุนกับสิ่งที่เรารับเลยอ่ะเรารับมาเยอะมากแ้วเราขอบคุณกลับไปนิดเดียวนะครับว่าลียวาเล้วว่าลียลไม่จะชกูนว่แล้วก็นักทีรมินันน่าสิลายชกูนน้อยมาที่พวกเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์มนุษย์ส่วนน้อยที่ขอบคุณอัลลอ์เห็นม เพะฉะนั้นเราต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้อัลลอฮฺอัลลอฮลาอิละฮ์อินัลลอฮจะทําอย่างไรให้เรามีความรู้สึกอยากจะขอบคุณอัลลอฮ์ก็ดูสิ่งที่เรารับจากพระองค์ให้มากตระหนักถึงสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ให้มากๆแล้วเราก็จะขอบคุณต่อพระองค์ล็อกสิบฐานอวสานแล้วต่อไปยังไม่หมด วสั่งขระลิกม้าในสวรรค์และมาฟนที่ดินจมีงามมินนี้เขาเรียกว่าแจากแจงในอายัดแรกเสร็จแล้วมาสรุปในอายัดที่สองอายัดแรกนี่อธิบายแบบแจกแจกก็คือสร้างแผ่นดินสร้างท้องฟ้าสร้างอะไรนะไม่ใชอออ่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าในเรื่องของ ทะเลการขนส่งการอะไรเป็นการแจกแจงแต่พอมาอายัดนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมทั้งหมดอธิบายทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินซักขระละกุมมะฟิสส์มาวาติอัลลอฮ์เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับพวกเจ้าทุกอย่างที่อยู่ในท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน แล้วยังปอกยามด้วยนะครับ جميع มิหนทุกอย่างนั้นมาจาก a l l a มิันมากัอินนฟลาอยติลิทั้งหมดนั้นมีเครื่องหมายมีสัญญาณสาหรับกลุ่มชนที่ใช้ความคิด มีบางคนถามว่าอิสลามสนับสนุนการใช้ความคิดไหมนี่ไงสนับสนุนให้ใช้ความคิดแต่ใช้ให้มันถูกที่เราใช้สติปัญญาใช้ความคิดของเราในการพิจารณาอะไรครับพิจารณาการสร้างของอ l l a h นั่นแหละที่นักวิชาการบอกว่าอุลามะบอกว่าความคิดของเราเนี่ยใช้กับมรคลูก ของ Allah แล้วกับ Allah เราจะใช้อะไรเราจะใช้ความคิดของเราไปไปเออก้าไก่ Allah ได้ไหมตัวตัวตัวของ Allah พระองค์ Allah สุภายนเราใจแหละเราจะเอาความคิดของเราไปเก้าไก่คุณลักษณะของพระองค์หรืออะไรต่างๆความคิดได้ไหมจริงๆแล้วน่การคิด ใช้กับม خ ลู ق ของ Allah แต่กับ Allah เนี่ยให้เราใช้การซิการเจมไหมครับกับ Allah ให้ระลึกให้จิการแต่กับมลูุของ Allah ให้สิการเขาบอกให้รวมระหว่างสองอย่างนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะนึกถึงอายตทในสุรษอัลอิมรัน ดลอดเลยนะครับ <ت ص في ق> ้าูเรองอัลอิมรานะที่อัลกัลอาอ้วนอินน์ฟี خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يزورون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه الله ل رأو كما في كرت م خ الله كاب ل ل ه ให้ ر ให้ ك ح ح ر ไม่ถึงใหให้รให้ระลึกถึงพระองค์ให้กล่าวถึงพระองค์ ให้ระนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้คิดถึงการสร้างของพระองค์ให้คิดถึงเนตมัดที่เราได้รับจากพระองค์จีกิลต่ออัลลอฮ์ส่วนฟิกเกเนี่ยให้ใช้ในการใไขค ร, รวนเครื่องหมายความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอายะห์อายะห์อัลกุรอานก็ต้องใช้ความคิดในการทําความเข้าใจมันและอายะห์ที่เป็นมัคลูต่างๆที่อยู่ ข้างนอกที tarde, ر ب, ر ب, ر ب. ر ب ่อยู่รอบๆตัวเราเราก็ต้องใช้ความคิดนี่คือสิ่งที่อัลกษัาบอกว่าอินนฟาิกลออายตลิคอมยัตฟัการุนลิอมยตฟักรุนไมเจาะจงการใช้ความคิดมีคาอธิบายนะครับในตับเสีที่บอกว่า ล أنهم ฮัมที ن ن. ่นั้นย่ำเตะงูนบไม่ไอดีหัมไม่นิงามนะ سبحان ละเจาะจงว่าเครื่องหมายสัญญาณเหล่านี้มีประโยชน์กับคนที่ใช้ความคิดเพราะว่าถ้าไม่ใช้ความคิดเนี่ยเขาก็จะไม่นึกถึงความยิ่งใหญ่เหล่านี้มันจะไม่ถึงผลลัพธ์แห่งความยิ่งใหญ่ของโลกสุภานตล ะ, ตละถ้าหัวสมองเราตื้อสมองเราไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช้อะ่ะ แล้วจะตระหนักถึงเน็ตมากรับแต่อะไรได้ย่งไรเพราะฉะนั้นคนที่ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของได้คือคนที่ใช้ความคิดเท่านั้นอิบิตฟักฺุรสลีมยันตกลลอาลมินมรฮลติอิลามรฮลติลยวีอัลลยจซัมมะฮบันนัลมุสตัผัคลิลิบาดตวลฮัมด อินนามะห์วะลลอฮฺรับบุญอาเลมีความคิดของเราถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรที่มันบิบดเบี้ยวไม่มีอะไรที่มันสมกปรกจริงๆเนี่ยความคิดที่ถูกต้องที่มันบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสภาพของการสงสัยคลังแปลงไม่แน่ใจแต่พอเราคิด เราใช้ความคิดเราไตรตรองเราพินิษพิเคราะห์จากสภาพที่ไม่ค่อยแน่ใจนำไปสู่การอยากี่การมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระแล้วสุดท้ายเราก็จะยอมรับว่าผู้ที่เหมาะสมจะได้รับคู่ควรต่อการอิบาดาห์ของบ่าวก็คืออัลลอ์รับบุลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากนละโลกเยียงพระองค์เดียวคนอื่นมีใครบ้าง ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบระหว่างผู้สร้างจักรวาลระหว่งหางผู้ให้ทุกอย่างกับเราอิบราฮิมต่ออัลลอฮฺตาอัลลซึ่งมีคุณลักษณะเหล่านี้เราจะเอาคนอื่น ม, มาเปรียบเทียบได้อีกหรือทุกวันนี้เนี่ยที่บรรดามนุษย์ชิริตกันอยู่เนี่ยเอาสิ่งนั้นมาเทียบเอาสิ่งนี้มาเทียบเนี่ยเทียบอะไรได้บ้างอะกับอัลลอฮฺตาอัลลอเอาจิงแล้วทําไมยังเคารพอยู่ไม่ได้ใช่อะไร ไม่ได้ใช่แล้วตฟกกรุณเพราะไม่ได้ยาตาฟกการุณก็เลยยังมีชีริกหลงเหลืออยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์นเ อ, อลลงดันั้นใช้ความคิดให้ถูกนะครับอิสลามไม่ได้บอกว่าคุณตามตามตามตามตา ม, ตามโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่เราบอกให้ตามเราบอกให้สรัทธาเราบอกให้เชื่อฟังพร้อมพร้อมกับ การใช้ความคิดเนีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสิเกตต่อ a ล l a h สิเกตต่อมาคุ้มก่อลลอ a h เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีใช้ความคิดแบบเลยเถอะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ความคิดแบบเลยเถอะเลยทะลุไปมากกว่าขอบเขตที่ Allah ตระลาต้องการให้ใช้ก็คืออะไรใช้ความคิดไปก้าวไกลสิทธิของ Allah อันนี้ผิดละ ว่าแต่ละไม่ได้บอกให้เราใช้ความคิดของเราไปก้ากายสิทธิ์ของพระองค์ที่จะอธิบายว่าแต่บางคนชอบอธิบายไงชอบอธิบายอัลลอฮ์สุบฮานฮาอะลลอฮฺเนื้อไปกว่าที่อัลลอฮฺบอกถึงตัวของพระองค์เองก็าจะเรยียนพวกนักปรัชญาทั้งหลายอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่พูดอาจจะพูดไม่ยากนะครับเอาเฉพาะให้เราเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของความคิดของเราก็คือ เอามาใช้กับสิ่งที่ละตะัลาบอกว่าให้เราใช้ดูความยิ่งใหญ่ของละตัลาให้เต็มที่ใช้ความคิดให้เต็มที่กับเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้าเราเอาความคิดของเราไปใช้กับเรื่องอื่นนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วอาจจะเกิดโทษ ด, ด้วยซ้าถ้าเราใช้ความคิดของเราในทางที่ไม่ถูกละยาจะเป็นไรมั้งางเอเอาอีกสองอันก็ลือทุกคนที่นา่าจะ ยฟรุี่นั้นแล้ยกรุ่นทีั้นแล้วก็ยกรุนที่นั้นแล้วก็ยกนที่นัวก็ยกรุ่นทั้ล้วก็ยกรนทีัยกรนีนั้นแล้ว็ยนที่นัวยกที่นั้ว็ยรนัและเป็นกรุ่นที่เจาะจง้ว็ยนที่ัง็รนที่นัยร่นที่ั้นยั้นแรุ่ั้นรทธาข้ล้ย จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดาผู้ศรัทธายักฟิรูลลิลเดี๋ยนละยารจูนัยยามอัลลอฮ์ให้พวกเขาอภัยให้กับบรรดาคนที่ไม่เชื่อว่าจะมีวันแก้มันพวกเราเข้าใจอายะห์นี้ว่าอย่างไร سبحان อัลลอฮ์นี่คืออัลกุรอาน ฟังดูแรกๆช่วงแรกของสุราเนี้ยที่อัลลอฮฺต่อละต่าลาบอกว่าคนที่ไม่ศรัทธาจะต้องเจอกับอาซาบุอลีนอาซาบุอซีนเวลาที่คนดื้อรั้นเหล่านั้นเนี่ยฟังเนี่ยรู้สึกรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเฮ้ยอัลาาลอฮฺจะเล่นงานแบบหนักหนาสหัสมากนะแต่ว่านั่นคือภารกิจของ Allah กะใจ่ไหมครับ การลงโทษคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาเป็นภารกิจของ Allah ไม่ใช่ภารกิจของพวกเราที่เป็นมนุษย์พวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยภารกิจของเราก็คือบอกกล่าวด่าวและถ้าสมมุติไม่เชื่อฟังยังดื้อด้านอยู่เราจะใช้วิธีการเดียวกันกับเทลอาซาลาบอกว่าจะลงโทษพวกเขาได้ไหมถือวิสาสะในการเป็นผู้พิพากษา แล้วก็จัดการตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานด้เลยได้ไหมไม่มีเราไม่มีสิทธินั้นสิทธินั้นเป็นของ Allah สิ่งที่เราต้องทำก็คือ y ิ f i r u l ล l l a ย i n จ la yarjuna fi a l l a h Allah จะลาสั่งให้เราให้อภัยสุบฮาตัลลอฮ์คำว่าให้อภัยตรงนี้นี่ความหมายมันกว้างไม่ใช่แค่อภัยโทษแต่หมายถึงว่าเปิดโอกาส ถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาดื้อเขาไม่ฟังอีกสักช่วงระยะหนึ่งบาที่เขาอาจจะฟังเราจะเปิดโอกาสให้เขาไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกับคนที่ไม่ยอมรับกับคนที่ปฏิเสธผู้ศรัทธามีจุดยืนอย่างไรโอเคเข้าใจว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเขาทำหน้าที่จบไปถ้าสมมติว่า จะไม่จะไม่ไปต่อกับเขาก็าไม่เป็นไรในเมื่อเราทําหน้าที่แล้วเราจะไม่ไปต่อกับเขาเราจะไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าโอกาสต้องเปิดให้กับเขาไหมสมมุติว่าคนที่เคยทะเลาะกับเราเรื่องเรื่องนี้เราคยอะไรโอเคกมไม่ยุ่งกับมึงแล้วตอนนี้ผมไม่เอาแล้วกมไม่สนใจนมึงละแต่พอผ่านไปเวลาผ่านไปเขากลับมาหาเราแล้วเขามาบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้ยอมรับแล้วจะขอมา เชื่อจะขอมาศัทธาเราจะตอบเขาว่าอย่างไงไม่เอาวันนั้นตัดขาดกันึงแล้วได้ไหมแบบนี้ไม่ได้เรายังต้องเปิดโอกาสให้กับเขาเสมอจนกว่าชีวิตของเขาจะหมดไปเราแต่เราจะเอาชีวิตเขากลับไปหน้าที่ของเราก็คือยะฟิรูลแลดีนาลายจูนอายาห์มัลลาอ่าเจ้าเรื่องครับประเด็นอันนี้นะมาดูต afsir สักนิดหนึ่งท a f s ี r บอกว่าอย่างไรยะมุรุตอาลา ิบ ا د าอัลมุอฺมินีนอัสซาดีนะครับ a l l ล h ะ a a l a สร้างบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์บิวุสนิลขลุกลกให้มีมารายาทที่ดีใช่การประนีประนอมการพูดดีเนี่ยเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะต้องใช้กับทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะปฏิเสธและดื้อด้านกับเขากับการศรัทธาก็ตาม والصبر على أذية المشركين به لقى أطن طعان حمراء หรือว่าการสร้างความร้อนผลลัพธ์เอฟเฟกที่เกิดมาจากบรรดาคนที่เป็นพวกมุชริกินเหล่านั้น ا ي ن لا ي ر ج و أي الله أي لا يرجون ثوابه و ا يخافون و ه ف ل ع ا ي นี่คือสรุปของมัก็คืออัลลอฮฺต้องการให้ผู้สักการ์นั้นมีนิสัยแบบนี้ แม้ว่าคนเหล่านั้นจะดื้อด้คนเหล่านั้นจะยืนกรานหัวแข็งอะไรก็ตามเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วถ้าเราจะไม่ยุ่งก็ไม่ต้องไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ไม่ต้องยุ่งเพราะว่าเราทาเราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วแต่ถามว่าการไม่ยุ่งของเราตอนนี้หมายถึงการปิดผนึกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสจะได้รับอิรายาตเจาะและออีกต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ โอกที่เขาจะรับฮิดายักษ์เจ้าละอาลายังคงมีอยู่เสมอไม่มีใครรู้นะครับเ ร, เราต้องกำหนดบทบาทของเราให้ถูกให้ดีนะครับทีนี้การที่เราอภัยให้กับคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรเลียจซียมนบิมาคายักิบูเพื่อที่อัลลอฮจะจะได้ให้ผลตอบแทนแก่ทุกกลุ่ม จากสิ่งที่พวกเขาได้กระทำตรงนี้หมายถึงมุชริกีนหรือว่าหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาเอาละแต่เราจะตอบแทนใครตรงนี้น่าคิดมากพระองค์บอกว่าให้เราทําดีกับคนที่ดือ้อแล้วพระองค์จะตอบแทนตอบแทนใครตอบแทนคนที่ดือ้อหรือว่าตอบแทนคนที่ทําดีพวกเราคิดว่าอะไรอยนนี้หมายถึงอะไรถ้าถ้ า, ถ, าถ้าดูเฉยเฉยเนี่ยเหมือนกับว่า ข้อตระหนักก็จะตอบแทนเขาเองจะทําหน้าที่ของของพระองค์ในการทําให้คนชั่วเรานั้นได้รับผลรับกรรมของพวกเขาเองแต่น่าแปลกมากทั้ซสินหลายๆลทั้ซสินบอกว่านี่คือการตอบแทนของข้อตระหนักต่อผู้ศรัทธาการที่เราเอาไปให้กับคนอื่นเนี่ยเราจะได้ผลบลุญสุภานัลลาา่นแหละและเยจีว์ก็มันรุงนี้มายถึงอัลมุบบินี والمراد بالقوم المؤمنون الذين أمروا بالتسامح والعفو أي أمر الله المؤمنين بذلك ليجزيهم يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الصالحة แล ل วแต่เรต้องการที่จะให้อภัยแล้วก็ให้ผลบุญให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีคลอย่างนี้กับบรรดาผู้ปฏิเสธ เรามีคุณลักษณะนิสัยแบบนี้มีมารยาทแบบนี้กับคนอื่นโอเคเราอาจจะได้รับอะไรเขาเรียกนะกับคู่ปรับของเราเนี่ยเราอาจจะลําบากเราอาจจะโดนดา่าเราอาจจะโดนประนามโดนว่าโดนอะไรก็แล้วแต่แต่เราอดทนเนี่ยสุดท้ายทั้งหมดที่เราโดนในดุนียะเนี่ยมันจะถูกแปลงไปเป็นผ ล, ลบุญในวันอัคราทั้งหมดทั้งสิ้นเลย เพราะฉะนั้นอภัยให้เขาเธออภัยให้เขาเธอเราจะได้ผลบุญในวันกียิอัลลอฮฺอาบับมีอายะห์ไหนที่ลึกซึ้งมากกว่านี้บ้างนะครับที่จะบอกถึงจุดยืนของเรากับประเด็นพวกนี้ قُل ل ل ذ ي ن آ م ن و ا ي غ ف ِ ر ُ ل ِ ل ذ ي ن ل ا ي ر ج و ن َ ي ا ً ا ل ل ه ل ي َ س ي َ ق و م ا ب م ا ك ا ن و ا ي ب و ن م ن ع م ل ص ا ل ح ا ฟีนฟสัสซีนะบอกก็แล้วด่าวะก็แล้วอภัยก็แล้วแต่ถ้าสมมุติยังดื้อต่อก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าอะไรมันอมีลาซาลิฮันฟารีนสัสซีใครที่ทําความดีเขาก็จะได้รับผลบุญจากความดีเหล่านั้นแก่เขาเองว่ามันอาเสอะเลฮะใครที่ทําความชั่ว เขาก็จะต้องได้รับผลกรรมการตอบแทนต่อความชั่วที่เขาทำซุมมอิลลารอบปีกุมจุรจาอูนแล้วสุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ว่าจะเป็นมุชริกนก็จะต้องกลับไปหาล็อกสุฮานอัตะอลาอยู่ดีการเดินทางในการพูดคุยกับพวกมุชริกินนะครับก็จบประมาณนี้หมายถึงว่าไม่ว่าเราจะคุยอะไรยังไง เราจะอธิบายอะไรยังไงพวกเขาจะดื้อยังไงเราจะอธิบายยังไงเราจะให้อภัยยังไงหรือเราจะกำหนดจุดยืนของเรายัางไงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือทุกคนต้องกลับไปหาอัลล์แล้วมาถึงวันนั้ น, นใครทำดีก็จะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นเราทำดีเข้าไว้ส่วนคนที่ทำไม่ดีคนที่จะพกรงความชั่วก็จะได้เห็นผลกรรมของเขาในวันนั้น รอดูกันแล้วกันไม่มีใครที่สามารถจะรอดพ้นไปจากการกลับไปหา Allah سبحانه าละได้สรุปด้วยการรวบรัดไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่จะให้สงสัยกับบรรดาคนที่เป็นมุชริกีนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อเครื่องหมายความยิ่งใหญ่ของ Allah س ب ح ا ะ ل ى อัลฮัมดุ ล, ลิลละนะครับจนถึงตรงนี้อายะที่สิบห้าใช่ไหมครับพอถึงอายะที่16บเนี่ย จะเป็นการพูดถึงตัวอย่างในอดีตของบันิอิสรออีนอีกช่องทางหนึ่งในความพยายามที่จะให้บรรดามุชริกนเนีได้ใช้เป็นบทเรียนเผื่อว่าพวกเขาเป็นการเปิดโอกาสเห็นไหมเปิดโอกาสยังมีโอกาสที่จะศรัทธาอยู่อีกมาเราก็จะเปิดโอกาสเหล่านั้นให้กับพวกเจ้าโอบรรดาคนที่ยังแข็งคืนไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมศรัทธาต่อเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพูดถึง เอ่อบันิอิสราเอลวยมไรบานนะครับ Allah Taala عالم وفقنا الله إياهم لما يحب ويرضى وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربيك رب العزة أمة يصفون السلام على ا ل م س ل ي ن الحمد لله رب العالمين السلام ع ل ي م ورحمة الله ب ر ك